เราเริ่มมีปัสนามาตั้งแต่นี่แห่มงมนคําคำที่เขาติด ก, กันมานี่วันที่สิบสี่สิบห้าคำเขาออกครรษาเมื่อสิบสามวันที่สิบสามเขาก็เริ่มอบรมกันมาแต่ทีนี้วัดโมกนี้อบรมกันทุกเมื่ในกลางพรรษาทั้งเ้าทั้งเย็น มีการพูดการร้องให้ฟังมบมนกก็ได้ก้อนั่งสบายๆนั่งฟังเพื่อให้เกิดสติปัญญาการอบรมีุปสนานั้นอบรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในเฮานี้ทุกคนต้องประสบพบเห็นทีแรก มันต้องอาศัยการได้ยินเล็กฝังก่อนเมื่อการได้ยินเล็กฝั่งแล้วเหาไปไกลปติปัญญาพิจารณาตามความจริงคนเห่าเกิดมาทุกคนทุกคนเละต้องมีแม่มีพอ่อมีพอ่อมีแม่เกิดได้ว่นนี้เกิดนําต้นไม้วันน้เกิดนําสัพท์มันเกิดนำคนคนต้องเกิดนําคน จับต้องเกิดัำจับกับน้ําจับโบกจับซี่เท้าสองเท้ามันเกิดสามกันมาอย่างต น, นั่นนเราเป็นคนเฝึกหน้าที่ที่จะรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ผมเองกุณเคยได้ยินพ่อแม่สอนแต่รู้จักเพียงรู้จําเท่านั้นจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลง ตอมาเมื่อผมได้มาเจริญสติแบบที่เขาเอามาสอนเอามาวาดไปอยู่ดย่นี้แหละอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากจิตสำนึกจิตใจบางก็เลยเปียนแปลงได้และกับโบหลงที่แรกผมมันรู้จักแบบพอแม่สอนและครูบาอาจารย์สอนได้ยินได้ฟังมาก็มันหลงมันลืมเดี่อนี้ผมโบหลงบบลืมเพราะมันรู้จักจร่ง มันรู้จักมาจากจิตสำนึกเรียกว่าปัญญาญาณก็ได้งานปัญญาก็ได้พราะแม่ผมเคยสอนเอาไว้แม่พอเนี่ยที่จะเกิดลูกมนิเ่แสกงานเป็นวายกันแล้วแม่ออกพอออกที่มานั่งอยู่นี่ต้องเห็นต้องรู้คนเฮาไม่ก้อนจิตมาเกิดเป็นคนนี่แสกงานที่สุดแม่ตั้งท้องขึ้นมาสองเดือนสามเดือนแทงออกไปก็ดี เมื่อเนได้เกิดเป็นคนทําตายแล้วแทงออกมาก็ตายแล้วนางคนเกิดออกมาได้มือหนึ่งสองมือตายแต่ก็นี้เ่อเห็นเขจับมือ่วยมือขำเมื่อ ค, คืนพอ แ, แม่สอนอันเนี้ยผมจําได้นางคนเกิดออกมาเป็นมืงเป็นสาวตายแตก็นี้เม่อเหได้สร้างคนมีกลมงามอันไดจักน้อยเป็นว่านางคนมีลูกมีผัวได้ลูกหนึ่งสองมือกำลังมันตายแตก็นี้เนี่ยพอแม่สอน โม่เคได้สร้างคุณดีความงามเอาไว้เป็นว่าบางคนจนเขาจนแกจ น, น, นตายแท้ๆก็มีตายเพราะว่าอายุหลายปีไงไม่ได้สร้างคุณดีความงามาน้อยกันนึ้เป็นว่าดังนั้นการเกิดเป็นคนนี่ยให้เหาเข้าใจวันยากที่สุดวัดนนี้เมื่อเกิดเป็นคนแล้วเนี้ยที่หาฟังธรรมมาจากผู้หูเป็นว่าสัตต บ, บุรุษผู้หู้ว่าทั้งกระยากที่สุด การอาศัยฟังจากฝังจากพ่อจากแม่จากครบาจารย์ฝังมาอาันผมเข้าใจว่าสัตตบุรุษผู้ฮู้นั้นผมเข้าใจว่าเป็นเรียน น, นักทันตีนักทำโทนนักทำเอกเป็นมหาปรเรียนผมเข้าใจว่าอันนั้นเป็นสัตตบุรุษท่านเรียนใฝ่ายโลกได้ปริยตีปริยโทรปริญยเอกผมเข้าใจาอันนั้นเป็นสัตตบุรุษแท้ๆต่อมาเมื่อผมมามีอายุ ในราวสี่สิบกว่าปีนี่น่ะผมได้ไปเจริญสติแบบง่ายๆทิศมือค้ามทิกมือขึ้นค้า ม, มือลงยก ม, มือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงท้ายเอียงขวาก้มเหยียทิศตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกืนน้ำลายผ่านลงไปในลาคอนี่ ตาเลือท้ายแลหลกขัวผมมีสติติดตามรู้อันนี้แหละเมื่อผมมีสติติดตามรู้อันนี้ผมเลยเห็นสภาภาวะทุกข์มดเนยน้อ ย, อยมันตีเต้นให้ว่าจะตัวนอนกระทุกเป็นคนกระทุกมดกระทุกนอนกระทุกสภาพผมทุกข์นี่บบเลือกหน้าบบเลือกตาทุกจริงๆเรื่องนี้ เมื shot, really? yes. ่อผมเห็น oh! ท uh ุกอันนี้ผมจิตใจผมสลดน้ำตาไหลออกเพราะผมไม่พ่าฝืนขควเมวาของพ่อของแม่มาเป็นบางบทบางตอนคนคำพตดนคนดื้อลั่นปันใดพ่อแม่สอนบางครั้งบางข่าวก็ตัวโต้พอตัวเท่บางครั้งบางข่าวก็บตัวตัวไอ้ยเกิดเมื่อกระเป็น่มผมบางครั้งบางข่าวบางครั้งบางข่าวก็บตัวอันนี้แหละเขาบุกจักเพียงแค่จํำซื้อ เมื่อผมมาปฏิบัติเรืนี้ผมเลยคิดถึงพ่อผมแม่ผมอ้น้องผมผมคิดถึงสภาพความเป็นทุกข์ของผมเอ ง, องและคิดถึงสภาพความทุกข์ของพ่อของแม่ผมเลี้ยงผมมาแต่นน้อยผมไ ม, ม่สามารถทาให้พ่อให้แม่ทุกข์ได้ผมเห็นอันนี้ผมจึงโอ้คิดแล้วคิดเราคิดแล้วคิดเราจะทํายังไงเนาะจิตตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่ ของไอ้ยของน้องนี่ไม่มีความสามารถที่ติดตอบแทนในอันนี้พี่สายอย่งางนี้บอกให้ฟังอันนี้แค่ผมจำเลยแค่ผมดูห ม, มหัวจับเมื่อผมหู้จักแล้วผมนึกไม่มีปัญญาที่วราเพราะตายไปแล้วบอกให้สังกระตายไปแล้วกำลังลูกไม่จิตตอบุญแทนคุณของพ่อแม่นั้นเปรียบอย่างฟ้าผัวโลกนี่นะลูกนี่เป็นนกให้มาถึงไป ฟ้ากลวมโลกคือพ่อกับแม่พ่อแม่เนี่นคือดินกับฟ้าข่วมโลกคือนี่แนหะละยกน้อยๆในจิตดินคืนปี้ท่านมันไปบังเอาดวงพระอาทิตย์ไว้ห้มันแส้ออกมาอไว้ให้มันแสงต้องเอามาโลกนี้กับโบได้ฤทธิ์คืนปี้ท่านมันขับโลกนี้กับโได้แล้วจ้ะอันอนี้พี่สายวอให้ฟังทุกขจักรได้แค่ของบุญู้จักว่างบุญคุณของพ่อของแม่มากเข้าใดขอดบุญของจกัก แค่หูจกักเสกโสมวสุสืออันนี้จักได้นองที่รอบบุญของตอบบุญตอบคุณของที่นั่นกับพืนพ้นกวาดฝั่งออกปานบักที่แดงอาจารยก็อยู่ในนองบักที้แดงดอกนั้นถึงกินน้ำไปในกระถางสร้างอาจารยดอกมันจีคขึงให้มันง่ายครับหนอง ก, กับบได้ใบมันก็จี้ให้มันเต็มใบเดียวเต็มนอง ก, กับบได้คนว่ดอันนี้จกักพอ้ายร้อยฝั่งพอกเอาไว้ฝั่งแดง แต่จันใดหักโบหุ่นจันอันนี้เนี่ยเอามาศึกษาเลยมาอบรมกันเรื่องจิตใจใจการได้อยู่ได้ฝังถ้าหากเขาได้อยู่ได้ฝังแล้วเขาก็ต้องใส่สติปัญญาจเจริญสติเด็กง่ายให้มีสติกำหนดรู้ให้รู้คนรูน้ น, น, น้อยอันนี้แหละมันสะสมเก็บเอาไว้เหมือนกับขันที่รองรับน้ำฝน ถ้าหักขันดีแก้วดีน้ำฝนนั่นตกลงมาเม็ด น, น้อยก็าตามมันสามารถที่จะเต็มแก้วนั้นได้เต็มขันนั้นได้เมื่อมันเติมแก้วเตมขันนั้นแล้วมันสามารถที่จะล่นออกไปจากแก้วจากขันนั้นไปให้แผ่นดินมันซุ้มขึ้นมาได้และให้ต้นไม้น้ำขึ้นมาได้สันได้เ้ามาทีนี้ก็คือกัรจังเอา และ น, นำไปพิจรารณาเจริญสติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจดังนั้นเขาสร้างเมือสวรรค์นะโบยวยาแก่ก้อนผมนึกว่าสวรรค์ี่หนองฟ้าคุณมาลกอยู่ใต้ดินคุณผมเข้าใจอย่า ง, ง, งาจริงิ่งเมื่อมาเจริญสติแบบนี้แล้วผมเลยเกิดอีความตนึกจับซึ่งขึ้นมาภายในจิตใจผมเห็นแล้รู สร้างคนพุกให้พ่อให้แม่มีนายที่สุดเอาพ่อเอาแม่เป็นหนุนนรกกับนายที่สุดและตรงกันข้ามลูกสร้างคนสุขให้พ่อให้แม่กับนายที่สุดสร้างมีตาวัณ์ให้พ่อให้แม่กับนายที่สุด่ ส, ม ส, มสดผมเข้าใจอย่างีิอันนี้แหละผมเข้าใจแล้วผมจะมาเวากับพอ่อกับแม่กับอายกับน้องกับเพื่อนที่สุดสัมมเน ในระยะผมไปปฏิบัตินั้นผมเป็นโยมผมมู่งกางเตือขาดชั้นดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วบวชกับปฏิบัติได้บวกกับปฏิบัติได้ดกกไดคือสร้างสนาใได้กับปฏิบัติได้แต่ให้เฮามีสติปัญญาเท่านั้นยังที่ญาติโยมหรือเพื่อนที่สูสรสมณีมาฟังผมบอกมันแบทําตัวให้เข้มแข็ง ปิดใจเข้มแข็งเอาเป็นหน้าวามเงี้ยวเงาเหานอนให้มันได้หญ้าอ่อนแอทําตนของตนเป็นข้าทีหนึ่งหญ้าเป็นเข้าทีสองเป็นเข้าทีสองดีกว่าเป็นเข้าทีสามไปตื้นแบบ น, นี้เข้าวทีนี้มันดีข่ายราคาก็แพงกินกระแสเข้าทีสองนั้นโบดีปันใดแต่ก็ยังดีกว่าข้าทีสามข้าทีสามก็ยังดีกว่าเ ข, าาเขาาเ้าวฝ า, าย เข้าไปยังดีกห็หำหำดีก็แก่อันนี้วาให้ฟังอานนั้นเมื่อผมมาพิจารณาเรื่องนี้เลยลูกสร้างเมืองสวัาดให้พ่อให้แม่กับบยากันทำยังไงเขาเชื่อฟังความพ่อแม่เขาผู้อม่นทีหักเขานั้นโบมีมเบเหนือพ่อเหนือแม่เขาไปได้พ่อแม่นี่หักที่สุดแล้วเขายังคืนด่านในใจได้ด่าพอด่านในบางคน คนเอ็มอันเนี้ยปากบได้ขันพนดาด่าอยู่ในใจเนี่ยอันนี้ว่าจิตใจมันเก้าหมองเปียกแสเนาเม็ดอยู่ในใจคุนอันนี้อย่าเป็นทงทางซันอันนี้เอาความจริงมาเล่าให้ฟังผู้ดใดเป็นทาันนสร้างบาปสร้างกรรมให้ตัวเขาตัว เ, เขาไปตกนรกพอเม่ท่านมองเห็นจิตเห็นใจเขาไร้เขามึกในใจด่าตัวนองด่าห น, นักที่สุด บัดนี้เมื่อเหาเหตุบ่ดีไปบ่ดีมาบ่ดีอย่างที่แหละพอ่อแม่เป็นทุกข์กลางเหนื่อยนรกให้พ่อให้แม่พอม่อแม่เป็นทุกข์บ่จกออกหน้าบ้านบ่ยะเอาจากเหนื่อยไปพอลูกตัวลูกคาทัวพูดตัวคิดทัวพอ่อแม่หายคว่ำอับอายขายหน้าพ่อแม่นาเสื่อพอ่อแม่ไปตกนรกให้เขา้าใจยังไงเขาตกนรกสะกอนพ่อเมื่อจึงมาตกนรก อันไม่เป็นการสร้างมนุษย์ให้พ่อให้แม่ถ้าหักเฮาหักพอ่อหักแม่เฮาให้หักโตเฮาหักพ่อแม่เฮาให้เป็นอ่างไรการสร้างมนุษั์ให้พ่อให้แม่กับโบยาคือเฮาต้องเป็นคนดีทำดีพูดดีคิดดีพ่อแม่บอกแล้วก็เชืออฟังเแิดซึ่งที่เป็นกับฟังนั่นแหลวซึ่งผู้บริเกณตับฟังยากเสื่อมให้เข้าใจอย่างสิ้ เมื่อลูกดีแบบนี้ถ้าหากว่าไปดีมาดีคนนึกยองลูกผู้ใดหลานผู้ใดตระกูลใดเสื้อใดฟาดใด เ, เขาจะถามนะครันถ้าหากลูกดีแล้วพอแม่ดีอกดีใจไปแต่จะเย็นแย็นแจ้มใสแต่คนปากคนนั้นพคนจิตาซัวซัวเขาทำฟางใจคนนั้นคนเมามันดีแล้วแต่คนปากคนเราซื่อยๆยอเยยลูกอันนี้ผม เห็นพอน่อแม่ผมเคยเล่าอย่างกันแล้วตัวผมเองก็อยากเล่าอย่างกันอันนี้นันเป็นนิจไก่เป็นสันสานพยานของสัตของคนของมนุษย์มันเป็นอย่างกันห้าหา่าววัดสันสานของพระเนจเจ้าเรเบเป็นเรเป็นอย่างกันเล่าซื้ อ, อตรงไปตรงมาห้าห่ากว่าลูกดีแล้วยักลงเหือนไปพอแม่นี่ยอยากให้คนเห็นอยาให้คนถาม ลูกเจ้าไปสิใดเข้าอันนั้นนางอันนี้ไปหั่นมานี้ลูกเจ้าดีเนาะโอ้ยเหมือนบุตีดอกเนี่ยวัวซื้อเทใจมันยิ้อยู่แล้วอันนี้ตัวสร้างเมืองสวัสด์ให้พ่อให้แม่บัดนี้พ่อแม่เขาตายไปบัดเนี้ยถ้าพ่อแม่เขาตายไปผมเองพูดนึกอันเนี้ยลึกว่าเจ้าของทำบุญให้พ่อให้แม่อาจารยเอางูเอาควยมาฆ่าเอาเล้ามาซูงูกินอันนั้นโบแมน สร้างกรมพินาศิีพายให้ตัวเองอั น, นันโดยแม่เนี่ยเถอะไอ้ซีว่าซังยากระทำสร้างอันเนี่ยอตาต ม, มาหู้จักองศ์ก็เลยเอากรมจริงมาเล่าสู่ฟังคันฆ้าหักทาบุญให้พ่อให้แม่นั้นพ่อแม่ตายไปแล้วให้รักโตเฮานี้รักอ้าอรักงองเฮานี้ยาพิษยาเขียงกันถ้ า, บาเบื้องโลกกระไดเดียวนี้เนี่ยพอออกไมออกพุ่นมีลูกมีเต้าถ้าลูกผิดเขียงกันแล้วมึงเจ้าดีใส่บ๊ ไม่ดูใจเป็บ่ออันนั้นแบบสร้างเงินลกให้พ่อแม่ทำบุญอัฐากันทีนร้อยกองพันกองกระสานสร้างโบสถ์สร้างสิ่งมึกมันเป็นลานเป็นแสงกระสานถ้าโม่เจ้าอย่งผิดมเพียงกันนั้พ่อแม่โม่เจ้าได้กระจกนรกบสได้บุญอันนี้ถ้าโม่เจ้าอยากให้พ่อแม่โม่เจ้าไปขึ้นบนสวรานนั้นโม่เจ้าอยากเลี้ยงกันอ้หนองลูกเก้าลูกสาม เมื่อเวลาทำบุญทำทานหาอหาแมต้องไปเอ่ยกันมาเจ้ามีคกลมพกอย่างไรมีคกเรือดร้อนอย่างไรเจ้าทำผิดทันใดต้องออกกันมาประสม <c oughs> บอกสอนกันคนเรามันไม่รู้จักเมื่ออ้ายน้องเขาทุกข์กันแล้วลูกมูเจ้าทุกข์กันกเจ้าสบายใจปะเนี่เนี่ยได้งนักพักน้อยเรื่องสร้างบุญสร้างกรรให้ก้อยแม่ตายไปแล้วนะครับ ว่าพอให้จากทางเสี้ยจริงๆดังนั้นจึงมาญาผิดญาเทียงกันคันหาผิดเขาเทียงกันนั่นพ่อแม่เขาไปตกนรกไม่ได้ไปนังสวรรค์แล้วเขาทุกข์แล้วเด้งเขาผิดเขาเทียงกันอน้มองผิดกันไม่เถียงกันเนี่ยทุกข์เด้งแล้วคนอื่นมากองข้าบองตาเขาก็ง่ายที่สุดถ้าหา้าเขาบ่ผิดบ่เทียงกันยื้อทุกต้องคลองขันแล้วผู้อื่นจึงมาดูทุ ก, ก, กข์บุกเทียงเขาก็เขาจกันระวัง มาฆ่ามาตายากับกัลวรัต น, นพ่อแม่เขาก็สบายใจอ น, นุสือว่าฮักโตเฮาฮักโตเฮาแล้วก็หักพ่อหักแม่เฮาฮักไอหักนองเขาคือฮักโตเฮาการหักโตเฮานีา้ให้กันได้กันเดินเดิงจิตเดิงใจเขาจิตใจเข า, ใจใจเาคิดจิตใจนิสัยเบียดเบียดอไอนองเขาบ อ, นอนหรือคิดๆๆอิจฉาเบียดเดยนในป้าน้ า, า่าของเขาก็หัวจักโกรธ อันนี้ผมเองโบเคยเบิกจิตเบิกใจตัวเองชักเถอะโบเคยเห็นในแต่ผมเห็น จ, จิตในใจนึกแต่ว่าทำบุญให้พอให้แม่แล้วกันนี่ว่าคนได้เลยวันนั้นความจริงนั้นโบแม่แม่ดูอันนั้นเป็นการทําดีซื้อๆเพราะมาทำดีนะมันดีก็ทําะทำัววันนั้นอันทำซัวั่นมันโบดีเป็นวันนั้นอันเอาบุญนี้มันดีคนเอาบาปเป็นาานนั้อันเอาบาปนั้นมัววนโบดีอันเอาบาปนั้นหนักเป็นว่าทําซั่วพูซัวคิดซัว อันทำดีในคนอื่นอันทำบุญคนอื่นทำดีพูดดีคิดดีอันนี้เป็นการสร้างเมืองสวรรค์สร้างมิถานให้พ่อให้แม่เขากันถ้าคนหันอย่งางโบตายเพใ่้เข้าใจอย่างสิเรื่องอนิถานบันเนี่ยสร้างานิถานว่าเรื่องมิถานกันเพราะว่าเวลาเขากาสีน้อยเพราะว่าเขาเอาตรงกันซึ่งซึ่งเพื่อทำคมเข้าใจคนเขาอยากได้สวรรค์อยากได้มิถานบุหุจัก เกับเขาไปขุดบอ่อน้ําถ้ากุดบ่ทุกสายเราไม่ได้กินถ้ากุดน้ำทุกสายแล้วขุด ล, ลงไปน้อยเดียวยังก็ได้กินนูดเพรามันทุกสายน้ําฉะนั้นเขาหาฟังธรรมะจากผู้หูจริงๆนั่นน่ะมาเล่าให้เขาฟังจริงๆนั่นน่ะเขาจดจำได้เขาเลยจะปฏิบัติเอาได้อันนี้เพันละการฟังธรรมะจากคู่หู้จากบุรุษจริง ๆ, ๆนั่นน่ะหาฟังได้งา่ายกว่นว่า ยังนุ้่มกมับมีผู้เท่าผู้แก่กับเมียเขาจําเอาไว้อันรู้มาจากตัวหนังสือนั้นมันเป็นเพียงตำลักตาราเท่านั้นอันรู้โดยจิตใจสมมติไม่มันเป็นของจริงแท้มันเป็นการรู้แจ้งรู้จริงแท้อันรู้จำรู้จั ก, จกนั่นมันรู้มาจากพอจากเมียจากอุบาจาร์มันเป็นอย่างไรโดยนิพพานนี้ บดิน้าถ้าห่าเของหุ่นจักเขาถ้าโบหุ่นจักเขานั้นก็นึกว่ามันยิ่หมืสว่างคุณอยู่ฟันฟ้าคุณเครื่องดินขัเจ้าเที่ยวอยู่โมเห็นตนเหือนเทวดาตกลงมาโมเห็นตนเหวิน พ, ะพนระอานันท์ตกลงมารอเห็นจักเถื่อนอันนั้นคำว่าอยู่ไกลไกลอันนั้นความจริงแล้วกษัตัิยอยู่ในอกนัตตุกอยู่ในใจพระนิพพานอยู่ที่ใจ พ่อแม่สอนมาเรียนี้กระแส เ, เพื่อนกับบุกหุจักเพื่นกับเอาซือซื้ออันคนล่องซื้อซื้อนั้มันบุกหุจักที่ผมนํามาเล่าสู่ฝั่งนี้คมหู่จักจังซีผมเข้าใจจังซีไถ ท, ที่ว่าเสนอขบวนเสือผมอะที่สุดแม้นพระพุทธเจ้ามายืนลายอยู่ในนี้มเมันบวมแม่นเลยหลงพ่อว่าน้องจันทรบวเสือเชื่อเชื่อฮิดหนังนี่แหละว่าตนเป็นที่พึ่งของตน จะไปเพิ่มใครไม่ได้ตนเป็นที่เพึ่งของตนนี่มายถึงตนหู้ตนเห็นตนเข้าใจคนอื่นที่มาตั้งใดก็โดยไม่เก้อเขินไม่ขัดข้องเรื่องของผู้อื่นเอาเป็นเรื่องหนึง่งเรื่องตัวว่าเป็นเรื่องหนึง่งคมเคยเฮ็ดมาแล้วเฮหตุที่ใดที่มันบดบุกใจคนเขาเจ้าดำนิข้าเจ้าว่ากล่าวว่าเกาบอดีขอดเขาจะไปเชื่อเฮ็ดหนั ง, ขงเขาเฮ็ุดีแล้วเขาเป็นคนดีแล้ว เพิ่นนาโมดีก็เป็นเรื่องเพิ่นเมาซื้อมันเป็นเรื่องสมมุติเว้าอันนั้นให้เข้าใจอย่างสิ้นดิลิพาณนิพพานหมายถึงจิตใจเป็นปกติจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสมงบจิตใจบรเดือนอนจิตใจเย็นเย็นยยนี่คือเดี๋ยวนี้นี่แหละบางคนเน่ยเพราะว่าเดี๋ยนี้นี่ยผมเคยเบ่งจิตเงใจตัวเองก็ได้ เ, เ, น, เนี่ยเตอนนั้นขาบวมีผมโก้ต้มีคมโลบ้มีคมลง จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบก็เห็นผู้นี้บางคนพนันเรื่องจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบกลับเข้ามาเบืงความคิดเบิ้งจิตเบื้งใจเห็นผู้นี้บางคนว่าหัวจับคนบอกเลยจับไวาเลยโอ้จิตใจอะหัวจับที่ดึงเขาว่าคันมันคิดขึ้นมาแล้วเข้าไปในความคิดอันนั้นตรงไหนรู้คิดเห็นความคิดอันรู้คิดกับเห็นคิดกับเข้าใจความคิดไม่คนละอันกันวะ อยากไปรู้ความคิดให้เห็นความคิดอันเห็นควาคิดนั้นจิตใจนั้มันเห็นไหมครับเบาเป็นมันเห็นนากณะที่มันเห็นเปลี่ยนอันโต้จิตโต้ใจมันนึกคิดขึ้นมาเราโบเคยเห็นจักเถื่อบโบเคยเล่นตัวเองจากเถื่ออันนี้พลวานลืนตัวคนลืนตัวนะพลวาก็คือคนตายแล้วพลวากคนตายแล้วเนี่ยมันเน่ามันเหม็นเพราะมันอยากเล่าแสดงมันก็เว้ามันจะากเหตุแสดมันก็เห็ุ มันอยากคิดตัวเองกับคิดย่างที่ผมว่าพ่อแม่ด่าพ่อไอ้ฤทธิ์ด่าที่ได้ใจคุณด่าพ่อด่าแม่มันตากออกมาบ่าได้มันยานเพี้นอันนี้แะเป็นว่ามันเนา่ามันเหม็นเปียกแสบอยู่ภายในจิตใจยากให้มันเป็นแนวสันตั้งแต่เด็กไปเอาไปสอนลูกตอนหลานเขาให้เรื่อฟังกล่อมพ่อก่อมแม่กล่อมไอ้กล่อมน้องพ่อแม่นี่ฮักที่สุดผมเลยบ่ได้สั่งคนจักเถื่อเท่าเดียรี เมื่อพ่อแม่ผมตายไปแล้วเด็กเนี่ผมหักตัวผมอยี่นี้หักไอหักหนองผมบ่นผมบ่ได้จะฮักคนคนเพราะเนื้อหนังผมมีผมได้มาจากพ่อจากแม่ผมพ่อแม่ผมสร้างตัวผมขึ้นมาได้อันนี้แหละบุญคุณของพ่อของแม่เฮาให้เฮาเข้าใจเอาเนื้อเอาหนังเอาแขนเอาขาเอาเมือเอาเท้าเฮานี้ไปทำดีพูดดีคิดดียากทีดีคมโอ้อค ม, มลบผมหลง อันที่จริงแลี่ยกรมโกธรกรมโรคกรมโรคมันกาบ์โบได้มีอยู่แล้วของไปสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นคือคือเมื่อสร้างสิ่งใดขึ้นมาแล้วมันพุ่งเป็นว่ากรรมเป็นของเราเราทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบอมันทำมือนี้แล้มันได้มืออื่นคุณบแมยนเลย่าเข้าใจจังสันเด้ให้เข้าใจง่ายง่านี่ได้เนี่ยพอวาวดีนี้จิตใจมันคิดดีแล้วมันดีแล้วคนอื่นที่ว่าชั่วกับตำตๆงขัดเจ้า ให้วาจังทีจิตใจมันเน่าเปียกแต่ยังแอบบันเนอเขาเฮ็ดผิดสมมติพ่อแม่เขาตายเขาเลยจะฆ่าหัวฆ่าควายเอาเหล้ามากินเอาหนังมาใส่ให้คนเบ้งเนี่ยจะชั่วอันให้ว่าเธอไปเดินเบี้ยดินไปอันนั้นบ่เนี่ยเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่เขาจิตใจเขาเปียกแต่เลือกคนอุ่นน้องบันเนยโออีตาอันนี้ดีแท้เนอะจับบุญุจักคุณพ่อแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้อง อันนั้นอาจจะยองตื้อขาจจะเอาซื้อได้อันนั้นโดยไม่ให้บุญให้ผาพ่อหาแม่เขาได้อันนั้นอันนี้รับรองได้จริงๆเรื่องนี้คนเองเคยได้ทำมาแลวเรื่องนี้ผม พ, พยยูดจกบ้านผมพูดจาโอ้คนยองเจ้าของดีใจหรือก็ไม่ใจดีอันนั้นมันก็ไม่ทาดีอั น, น, นมันทาซัวอันผมพูจากทางสื่อมาทาดีมันดีเยจิตใจมันดี เทคดีคือซื้อนคนอื่นจีวมาช่วกันทำส้สางจิตใจช่วยแล้วคนอื่นมาดีนเราซื้อๆคนยองซื้อๆคนสมมุติเราให้รู้จักสมมุติจริงๆเลยถ้าบรู้จักสมมติแล้วบ่มีโอกาสบ่มีเวลาทีทพบเห็นธรรมะได้ธรรมะคือยังไงนันธรรมะคือโตคนนี่แหละ พ, พระพุทธเจ้ายิ่งใส่พระพุทธเจ้าคือโตคนนี่แหละ ให้คือตัวคนนี่แหละสัตว์ยิ้วใส่สัตว์คือตัวคนนี่แหละให้เข้าใจอย่างสิอันสัตว์มองเห็นด้วยตาขอนั้นเป็นงวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเป็นเปเป็นอะไนั้นสัตว์โดรักษาอันสัตว์คือคนนี่จอย่างไะจิตใจมันก็มีอายจิตใจเป็นสัตว์สัตว์มายืดตามถนนหนทางมายัดขี้แบบเงียบจนเขาขี้ไก่เงียวอันจิตใจมันบ่มีคมละอายนี่อันนี้แหละจิตใจเป็นสัตว์เหน่าจังใจผมเนี่เป็นผมไม่ได้ว่าผู้อื่น คนนึกด่าพ่อแม่อยู่ในใจจะมีละเลือดเถื่อ น, นี้แหละจิตใจเป็นสัตว์เป็นรักสารจิตใจเป็นเต้จิตใจเป็นสัตว์นรกจิตใจเป็นอสุรกายมันบูมุจักมันยังเป็นอย่างนั้นนางนั้นเขาจึงสอนลูกสอนหลานเขาอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนิพพานนั่นคือจิตใจเป็นปกติเดยนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องลูกญาติโยมเพื่อนพิชิุ ส, สมณเณรจิตใจเป็นปกติอันนี้แหละนิพพาน อยากไปเอาไกลอันิพานอยู่ฟันฟ้ายอนๆคนกับยาสุขขึ้นไปเถิอหมู่เจ้าลองไปขึ้นตรงเส้นไม้ตรงนี้ยึดปลายไม่เลน้อยคันลมพัดและหมู่เช้าจิตกใจบอกยันต่ว่ากระโดดลงมาตุ๊บตายทำแล้วอันนันมันบ่งบจักนิพพานอันนิพานน้ำมายืนจิตใจเป็นปกติจิตใจซึ่งจิตใจเย็นภิกขะโรตั้งในกตัมสร้างเบิ้งจิตเบิ้งใจนี่พระอรหันต์มันมานี้บริเวณพระอรหันต์เนี่ นั่งอยู่นี่ไปเห็นข้เจ้ามูลขนาดกินแบงยู่กรุงเทพพุ้นโบแมนอันนั้นพระอรหันต์แบบนั้นพระอรหันต์แบบหนึ่งนั่งอยู่นี่บนเนี้คนเ้ายุ่งเงินหลวงพุ่มหลวยุ่กรุงเทพพุ่นได้ยินอันนั้นกับหูทิศแบบหนึ่งอันนั้นแม่นหูทิย์แบบเนีายพอวานีิบ่แม่นพระอรหันต์แบบอนี่ยพอวานีิบ่แมนเท่ๆอันนี้นีตามความเข้าใจของผมเที่คนอื่นจะหูจักแค่อยี่ยพอบหูจักญาพ่อหูจักหนังสีอ พระอรหันต์มันย่อพอเข้าใจอย่างตีหมายถึงเห็จิตใจเจ้าของมันนึกขึ้นมาเห็นมันคิดอะไรขึ้นมามันเห็นมันคิดสร้างุกขึ้นมามันเห็นอันนี้เข้าใจอย่างตีรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะว่มภพที่คนคิดชั่วๆัวนันไดอ๋อมันเป็นอย่างตีเด้อขณพระอรหันต์นี่หมายถึงเห็นตัวเองนี่เด้เมื่อไปสมเอากับพระพุทธเจ้าว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับกายจีวรหรือจับนิ้วมือเราอยู่ก็ไม่เห็นธรรมเพราะไม่เห็นเราเห็นธรรมคือเห็นโตเฮานี่เด็กบวชจะไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นวงแก้วเห็นพระพุทธรูปเล่น้อยนั่นบ้แน่แด้ๆนนั้นบ้าแน่แท้เพราะใดยังไปเข้าใจยังเป็นกุหันหลงเป็นของจริงผู้หัน ยังไปจำเอาตำลับตำลามาเวาอยู่ไปจำเอาตำรับตำราจังไหนอันนั้นเป็นเพียงรู้จำมาคือคือให้เราเห็นแก้งรู้สิ่งโตเฮาเนี่ยดวงแก้วคืออยัางแล้วดวงแก้วก็คือจิตใจมันสะอาดสว่างสงบนั่นแล้วภาพกระเจ้ายวเนยอยู่ใส่ภาพกระเดเจ้ากับอันเดียวกันนะจิตใจสะอาดสว่างสงบเนี่ยมันใสอยู่เนี่ยแบบนีจิตใจคือหอน เราแก้วน้อยๆนํามาผัดมันม้วนใส่ยงสันเนี่คนใจอันเนี่ยคือมันคิตใจมันซุ้มมันเย็นนี่เลยอันจิตใจมันใสเนี่ยให้เข้าใจอย่างสี่แกะแล้วแต่แล้วพักที่เข้าใจเอาก็ได้บุเข้าใจเอาก็ได้เรื่องนี้อันนี้ตัวเห็นธรรมแท้ๆเห็นธรรมแท้ๆนี่เห็นพระพุทธเจ้าแท้ๆอันเนี้ยคนว่นมีมิตรแบบเนี้ยคันมีมิตรจนกระทั่งต้องปนต่งให้เห็นอันใดอันหนึ่งเห็นสี่เห็นแต่ เห็นยังฮุกกี้ประถาเนี่ยพ่อเฮ็ดมาแล้วเรื่องนี้เมื่อเพื่อครูบาสอดให้แต่เอาโทษเธอเอาตีนไปเฮ็ดวงกลมๆเอาซนนองเขาไปคุณแล้วก็เฮ็ดจากห้าวงมาตะเพิ่มวางให้ไปนั่งหลับตาเพ่งกระสิสอนอะไรนะเฮ็ดมาแล้วเรื่องมูลนี่ก็ได้อันนั่งกับคนหูจังสันเขาจึงสอนจังสันมันโดแมนอันนั้นะคนหูคนบุหูจักเรื่องมูลนี่มันสอนมาตทำให้เด็กดำบันใสห่หูบุหูจักอันเนี้ย สอนกันมาแบบนั้นแหละมึงกระดีอยูุดีก็เป็นรักของเขามีก็ไปตีเขาอาจจะให้ น, นางก็ไปนังอยู่ผู้เดียวมันหัว่าแม่นทางอันนี้เนี่ยให้เข้าใจว่าทางมิไสทางเข้ามาทางมิไสทางน่ยดีก็ไปรักของคนดีก็ไปตีคนดีก็ไปด่าคนดีซือ่อแต่มั น, นก็ไม่ทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ดับความร้อนจริงๆน่ะดับที่ตัวเขาก่อน เมื่อดับโตเหาแล้วอันผู้อื่นในบุญยากเนาะวาให้ฟังสิแล้วมันก็เลยพอยเย็นไปเลยในเรื่องนิพพานมาอยู่นี้นิพพานนี่มันขึ้นมาไปใส่มันไปนํานั่งใต่มันนั่งนํานอนใต่มันนอนนำกินมันกินนําเข้าห้องนำํำห้องต้นมันเข้านํานิพพานมานอยู่อย่างนี้โบเมจิไปสร้างโบสร้างสิ่งกล้างถนนคนทางสร้างพระโพธิสันั้นจึงได้นิพพานอนั้นต์กน้อยบททุกหลาย เง่าพอสร้างพระเงินตัวหนึ่งเอาเงินหาเงินขันเงินเกี่เข้าไปรอพระนึกว่าเจ้าของจะได้เป็นพระพุทธเจ้านึกว่าเจ้าของจะได้เห็ุธรรมมันนึ่าเจ้อมันนึกเอาเองมาเพราะว่าทิดทีแล้วกลมคิดเอาเองมาได้มาเจริญสติแบบดเบาเมื่อกี้ดีแหละพิศมือขึ้น่้อ ม, มือลงยกมือไปเอามือมาทําซาสาทันจะซากับทำใบดิน้น มันหลายเรื่องขอว่าเรื่องพระพุทธรูปจา ก, ก่อนมาสร้างตัวเห่าเนี่ยให้เป็นพระอันพระพุทธรูปข้า น, นั่งขัเลือกเทื่อนั้นลงล่อบบดีหรือ บ, บ้าโบดีกระโดงหามอะไรเมือเทือสร้างพระพุทธรูปออกมาน้อยแบบเนี้ยเขาจับไปแบบเนี้ยลูกมือเขาแตกําหักซันไหนมันเป็นหักซันไหมมือไปเอามือมา ท, ศาศาทําสาสาทันกระซ้ากับทำใบลุ่ม มันหลายเรื่องขอเาเรื่องพระพุทธรูปจาก่อนมาแฝตัวเขาไม่ให้นเป็นพัดอันพระพุทธรูปอันนั้นขาเลือเท่อนั้นลงล่อโบดีล้บ้าอยูกระบอกน้ำนั่นเมือเทือแฝงพระพุทธรูปเอาเนน้อยไปเนี่ยเขาจับไปไปเนี่ยลูกมืเขาแตกทำหักฟนเนี่มันเป็นอนี้เลือเทืองพระพุทธรูป่างๆเอาขึ้นไปเหยียบไเนี่ยคันบีตั้งโดดีหักล้มมาใส่หัวอัตั้เนี่ยมันเป็น อันนี้คนจริงคนจงหวัดสยาภูมิเด็กน้อยไปเยี่ยมนาพอมันเป็นเด็กน้อยนไปสึกาแบบไม่กับพอพอไปให้ใจหน่อยเหรอพระพุทธกไปหัวเอาหัวมาให้นยพอเบ่งนี่มันเรองฮักเขาซ้าเขาพุทุกนันก็ได้เขาจะกล้าไปได้ซึ่งไม่ให้เด็กแบบจดหัวลูกซ้ำเจ็บจำหัวแตกจำเอาปี้มาให้พอเบ่ง มันสมุดเท็จอันนั้นอ่ะมันสมุดเท็จให้เข้าใจสมุดมีรู้อภิธรรมเข้าักสมุ ด, ด, ดิงจริงสร้างตัวเขาเนี่ยให้เป็นพระไปใสมาไสเอาตัวเขาเป็นพระพระนั้นหมายถึงตัวคนทําดีพูดดีคิดดีพระที่บอกพระสรงองค์หลวเป็นพระได้รู้แบบเนี่ยพอเวาเนี่ยทําให้จิตใจสบาย แล้วก็เป็นพระใดพระเปรู้ประสริฐให้จิตใจเราเป็นปกติอันนี้เนี่ยทำการทํางานด้วยเป็นพระทําทการทํางานด้วยมิพานขึ้นสอนสั่งๆเอาพระไม่ไปให้น้ำให้การให้งานก็ได้ไปนัง่งมาอย่างให้เอาพระไ ป, ปน้ำอันพระแขงของนั่งกระดี๊ยู่ดีก็ออกไมโครโฟไปแขงขันหน้าดีแล้วมันดีไปเกันนะ มันดีก็ออาขวดเหล้าไปแข่งคอะม่เป็นดีอัไร น, นักให้เหาจะเนื้อบ้างหามีพระแข่งคอเกะบุกินเหล้าซัะก็ดีเท่านั้นแหละแต่เมื่อมีพระในใจเราเราต้องแข่กแแงกระไดโมทก็จะลงคุณลงร้อนนี่เรื่องพระอนนีน้พอที่เราคุมกินให้สั่งคนจังหวัดสงขล์ไปส่งขามพวกเวียด น, นามเหนือเวียด น, นามเหนือนัในในอ่นน่เขาุกจัดนี่นั่นเราเป็นทหาร เอาภาคมาเป็นตล่งใหญ่แล้วก็มีเท้าหมูตันตันสคาดนี่พวกกจ้าวาเจ่พ่อเจย์แม่คุณมันค้ำมันคูนเลยมันค้ำมันคูนดีอยู่ฟงลูกตองหลานดีอยู่แบบนี้แกหักด้วยดีแทไปส่งค่ามมันได้เราจี้ไปหาบ้านเราไปบ้านถ้ามากไปนีล่ละวันที่ก็ได้เลยเ่พ่อบอกมุขจากไปหยอดต้องตีนภูใมันมีน้าเราเมี่เจ็ดทองไป ไปไทายอุจาะและอาบน้าไม่ที่ไปบา้านแล้วไปบ้านใดบุหุจักแล้วไม่คนละท่านหอกไก่ไปบ้านไหนคุณนราไปาไปฮะแล้วเปลืมอันพระพุทธรูปไปฮะกับกระตุกเ ง, งินงนเป็นแค่เขามองาเป็นแค่หมูเค่หยง่หลักมันข้ามมันคูนนัน่ น, น, น, น, น, นแหละแล้วไปลืมไปฮะแล้วก็เลยไปนอนบ้านล่าคุณไปนอนบ้านุเร า, ก, นนาก็นอ น, นะะอระดับแด้คืดคอหักองเราตื่นเมื่อเส้าบัญญัพ่อมากเราแล้วแล่นมานำหลัก งานแต่ใชกิงั้นวคนลืมของล่าวะลืมใไกลืมใบู้ล่าวะยาเขียวไก่ค่อยย่างลงกันไป่ี่วะค่อยมานากันวะแล้วก็โัก่าย่างมาดักย่างไดเส่วนเรายาไปเด้ะค่อยย่างค่อยไก่ที่เราเอาไปมืเป็นเคกแล้วก็ค่อยย่างมาดมาอกน้งมันมีต้นไม้มันมีน้เป็นห็นถลานน้าออกวาบนหันคนที่เคยขึ้นไปทางปูอัน มันทานมังคาวานทนั้นผู้จัดรบนหันเราก็เข้าใจเข้าไปแล้วก็ไปจัดเอาหมดทาอันนั้นออกมามันรักษาเจ้าบนม้อไปหักเงาพระว่าวผมหันที่ย่านดอกค้ามาคอตลาดที่เนี่ยพอเลยว่าอันเจ้ารักษาพระหรือพ้ารักษาเจ้าว่าธรรมพบว่าพระรักษาผมมันผู้รักษาเจ้าเห็ดหนังอันนั้นเจ้าพูดที่ตายแล้วเนี่ยจะนอนเมื่อคืนนี้มันโดนหลับท่านว่าเจ้ารักษามันอันเนี่ยว่าให้ให้จัดให้ตีว่า เจ้าแขนคออยู่ขนาดมันหนักเบกแบบนียม <od icular. S 1> um ันโดยเฉพว่าเอาเจ้าแกะไปได้ขนาดว่าเจ้าแกะมันได้เมื่อว่าคณะมันรักษาเจ้ายาทุกข์กายไปเม่นน้องคือว่าน้องยาปากที่ไปนี้หมาว่าอายยาการนอกไปมันบ่เอินไปเห่าจ่อยซ้ำมีแต่เห่านอนโดยหลับซื่อซื้อไป็ิทกที่ตายแล้วนะอันนี้คือว่าคนรู้จักสมมติสมมติคืือๆกันอยู่ เรื่องนู้นเ่ยพอพอเนี่ยพอไว้ให้สั่งเพื่อสมัสึกข้อสึกแท้อย่างนั้นนะคนเราเอาตีนจิ้นแม่ไปส่งหามสึกข้อคนว่ากับเบาะไปกระไดดอกเรื่องนั้นอันนี้เป็นกำลังใจคือคือพระไปรักษาเขาเขารักษาพระหรือะกุศลนั้นวุ่นนั้นไปรักษาเอาเอารักษาเงินซื้อเป็นกำลังใจมีงก้นเอาไมโครโฟมาแขวนคออย่างวะเอาพระคุณลูกแขวนคอนั่นนะ เอาไล่ 2> <S> <S 2> <S yes um. <S <S คันรแข่งขอนอย่างดีกวเอาพวนแล้วมาแข่งออด้เอากล้มาแข่งขอด้วยกินเหลาแล้วกินเหล้าเมาแบบนี้คนเมาแล้วมากินมีสติเห็นหนังไปยังมายังก็ะไดคนจะบอกกินเหล้ามีจิตใจเข้มแข็งไปลบไปเซ็ตอันนี้กินเหล้านั่นแหลไปหาเดนตายแล้วนั่นนะพวกคนกินเหล้ามันไม่มีสติไปยังมายังพูดหนังมันไม่มีสติมันเข้าไปโดยกลมืดสมติว่าอยากกินเหล้า อย่าลืมเบี้ยลืมภัยอย่าสูกขึ้นกินคกังสาเทอย่างไปอย่างไปได้วยสติปัญญาจะเป็นสอนอย่างสี่พ่อแม่เขาแต่เขาโบาเสื้อตังครมพ่อคนแม่เขาเดียรเนี่โบเสือ้อส่างแท้ๆเขามีผ้าแข็คนละคู่ดีได้เนี่ยมันดีตายดีหนังมันดีด้วยสติปัญญาคุณสู้ๆนะให้เข้าใจแต่แค่เดียเนี่ยเนี่ยพ่อก็มีพระพุทธลูกก็มีเนีย่ยพ่อซื้อพระองค์มึงเสื้อข้าเจ้าอ่ะซื้อแตกลอยบาท แปดร้อยบาทไปกิ๊บมือนที่ของน้อยบอกเขาจะว่าพระองค์เนื้อแขนคอและปืนคึกกระบวกเขาจลโอยโอยโอยโอยจัแนนเนื me, ้อตัวตายได้เ <cer> นี down, okay. so average, ่ยงตัวตายเธอได้เนี่ยมันเสื้อเหมือนอย่างผิดผิดเธอได้เดี่งอันนี้แปลว่าคนดีเยอะสิมีมาจะทําให้คนดีมากๆมันกลับเป็นคนทัวไปได้อันเนี้ยอันนี้ให้เขาเข้าใจว่าคนดีมีมา คนดีมีมาทําให้คนดีเป็นคนเสื่ออยู่มาเนี่ยเขาย้าใจกันซีเรสั่งยึดมุดได้อันนี้ดังนี้นคนดีมีจิตใจเข้มแข็งเคราะห์เะแวงหาทําให้คนกําลังทำเสื่อนะี่ยกลับมาเป็นคนดีมีน้อยคนเ น, นี่ยวันวันแบบหน้าพ้นกับมีน้อยคนเหมือนบอกยังมีน้อยคนว่าแบบเนี่ยอันคนดีทําให้คนดีนั่นเสื่อมอยู่มาเนะี่ยเว่าผู้อืน่นมันก็พอเมย์สอนลูกกับเสื่อขะนี้ ยาเฝ้อสุดยาโมตปซื้ออ่ะเกิดอุดจากอแม่มาม่เคยสุดยาซักเท่าพ่อของผมหายสุดยาปุเลยสุดยาเป็นเพิ่นดูให้จากคนซื้ออันนั้นเพิ่นสอนในห้องซันนั้นบ้านเาพอไปค้าไปขายเงื่อนอยู่บ้านใส้เล้าไว้มาห้แล้วเอาเล้านี่มาลกมาต้อกันเอิ้นพ่อเอ้นแม่เอ้นพี่เอื้อนมากินอันนั้น้างคนซื้ออันนั้นเต๊ะก็บ่ไม่คนยิ่งยือันนั้นมมันเป็นอย่างการตะเพนีอันนั้น กระดีนี้มแป้มันโบดีเทเ ล, เลิกเลิกสิ่งที่โบดีเขาใส่สติปัญญาผมมองเห็นเรงนี้เนี่ยผมไปเจริญสติคนจีนนักดองคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือคนทุกคนนี่แหละแยกไปป้อยไปด่าไปฆ่าไปตีกันป้อยคนก็ไปป้อยพระพุทธเจ้าไปด่านคนก็ไปด่าพระพุทธเจ้าไปฆ่าคนก็ไปฆ่าพระพุทธเจ้าอันนี้ผมว่าคนจินเนี่ย ผมเป็นมนากับพ่อผมพ่อผมว่าให้จังพระพุทธลูกในโลกนี่แหละวะท่านหยุดเลกนี้เด้ที่เป็นพระเงินกระตาพระทองกระตามเป็นพระไม้กระตามเป็นพระแก้วกระตามือดวงจิตดินงานของพระพุทธเจ้าไม่ไปเกาะยุ่กับพระพุทธลูกมันพอกันเมื่งนานี่ท่าเป็นว่าแล้วทัดแกะแก้วชิลละมันมีเสียกับบือหจักน่ะโบหิอันนั่นแหละทัดท่านเงินทัดอุเทนทัดใสกระตาซาเป็นว่า มือเดือนิมกินงานของพระพุทเจ้ า, เ, เ, เ, า, นนาเป็นเกาะอยู่เท่านิดหนานี่วะท่นเป็นว่าให้สังอันเนี้ยเมื่อชาสนาพระพุทธเจ้าหนื่อยเมื่อไปได้ห้าพันปีวะท่านกินมือเจ็ดวันเจ็ดคืนพอแม่เห็นกันทิ่กินกันต้อยกันบ้ากันนี่ว่าเป็นสัตว์มือเห็นพ่อเห็นนี่เราปุ่มปั้มกันกินกันมันกินมือเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยที่กินอย่างนด้มันดีเลยและที่มีพระพุทธรูกอันนี้แหละพระทาตุเอ็เ น, นี่ยหอ่อไปวะท่าน ไปรวมตัวกันเข้าแล้วแต่หันแตกโปอัปปโรทน์เป็นลูกทาสนั่นโลกกับอังโกจิตีิานพระพุทธเจ้าไปเกาะอยู่เท่าเรือนี้กลับเป็นตัวเจ้าสายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าแสดงทำให้ฝังเจ็ดมื้เจ็ดคืนเือนนแล้วผู้ใดจะฝังด้วยเนื้อขาวนั้นผู้ใดมีปัญญามากนั้นที่ได้เป็นพระลหัมผู้ใดเป็นปังาน้อยก็คืได้ลำดับกันมาจนเทิมกลับเป็นคนธรรมดาคนว่า อันนี้กับพอออกไม่ออกเพื่อนภิกษุสมณีทุกคนให้เป็นผู้มีปัญญามากๆยญาตเป็นปัญญาน้อยเป็นเข้าทีนึงขายให้มันราคาแพงกินน้ำเแสบภาพพุทธรูปคือคนคนนี้แล้วทุกคนนี้แล้วเนี่ยอันยืนไม่เป็นพรพพุทธรูปแล้วเนี่ยอันพรพพุทธรูปอันนั้นไดมีจิตยิงหนังมียงที่ผมเล่าอยู่นี่ยก็จิดห่อไปใส่ได้อันนึ่เอาแหวนไปโยนไปซือนี่แล้วอันโตคนนั่นมันห่ไปได้ มันสามารถที่ไปหาฟังธรรมะจ้าผู้ผู้จริงๆนั่นได้คุณเอ๊ะตัดตาบุญผู้ฮู้นั่นได้เมื่อฟังธรรมะฮู้แล้วนะมันจะแตกโตออกมาลดอั น, นโตจิตใจโตจิตเป็นึกดันมันจะหุ่นจักงอันนี้นรรอะไรจังวะจะด่าพระพุทธเจ้าจะไปฆ่าพระพุทธเจ้ามันบ้าอันพระเบเก็คือคนทุกคนนี่แหละเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสติมันมีตัณหา เมือนกับเลิก ง, งานนั่นแหละเมื่อเขาได้สัง่งผู้รู้เอาแล้วเขามาเบิ่งจิตเบิง้งใจโอ้พระพุทธเจ้ากับพรก็คือกันเด้มีตาสองตามีหูสองหูมีจมูกสองลูมีเีขนมีขาเหมือนกันเดแต่เพิ่นหักเหงเพิ่นหักลูเพิ่นหักเข้าใจโอ้คนเห็นคนรู้คนเข้าใจเลยคือเออว่าปัญญางา น, งานปัญญาอืออันงานปัญญาเ น, นี่มันเป็นที่รสุดงอ เขาก็เกิดพฮ่้ขึ้นมาภายในจิตใจเขาเลยโดยเชื่อผู้ใดทั้งหมดอันเนี้ยอันมีสมำมาตนเป็นที่รึ่งของตนได้ไม่ไปพึ่งทีได้ไม่ไปพึ่งเทวดาโดยพึ่งไคทั้งหมดอันนี้คือว่าเหามีที่พึ่งอันดีให้เหาเพิ้นตเหาเมื่อนี้สังคมเมาจักรก็ไปแล้วให้โมเพิ่นเพิ่นตัวของเพิ่นิงปิงทำตัวของเหาเป็นพระพุทธเจ้าในน้อยขึ้นมาอย่าให้เป็นพระพุทธเจ้าโลเล็กนั่นดี อันพระพุทธเ้าโลกเดนน่คือเบื้องเห็นโตเขาจักเถือเบื้องเห็นโตเขาจักเื่อเต็มยิ้อันพระพุทเจ้าอยู่ในาเนี่ยต้นห่าวมาเบื้อเห็นโตเขาเ็นเอิ้คนลุดตัวคนหลุดตัวแล้วก็เอคนปรมากคนปามาก็เรื่องคนเน่าคนตายคนเหน็บมันเหม็ก็เออุจละพุนเล่มันเป็นปานันพุนเล่มที่ได้นามาเล่าให้ฟังมื่อนี่กัเห็นมาสมควรแล้วฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนที่สุธรรมเนร พยายามกลับเนื้อกับตัวตั้งแต่นู่มีเป็นต้นไปอย่าเห็ดเล่ข่มหุนทำเห็ดอย่างไปอย่างก็ต้องใจสติปัญญาทำความดูแจ้มเห็นจริงให้เขาทุกคนทุกคนมาพบเอกตภาวว่าที่จิตใจสะอาดจิตใจสวา่างจิตใจสงบในชีวิตนี้จงทุกคนเถิด ทางมาเป็นักโมหาวในน า, ามมามาเจริญสติมาเจริญปัญญาเจริญเพื่อให้ของหุ่จักตัวหงสให้ใหุ่จักจริงๆผมรู้นั้นมีอยู่4ข้อหรือสอย่างที่แรกนั้นรู้จำมาสักคน รูจ้จำมาจากพอจากมาจากครูบาอาจารย์นะคะรู้จัก <c oughs> ใจ ส, สติปัญญาซื่คือันนั้นใจ ส, สติปัญญาคิดคิดอันนั้นเป็นอย ง, งคิดอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอ า, นอารู้จักรู้แจ้งมันรู้จริจงอันนี้อาศัยปัญญาญาณด้วยญาณของปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการ แตกออกมาจากภายในจิตใจตัวต้นต่อของทิ่ริกจริงๆอันนี้ให้เขาจำในตัวก่อนที่ได้สั่งเพิ่อนอาจารย์เขียนเราให้สั่งมานั่นกับเป็นข้อวัดปฏิบัติโดยศพะที่เม่ได้แอบเองเอาคำพูดของผู้นั้นผูน้นี้คือเขาว่าด้วยความจริงใจของท่เขา ที่ผมเลือกจมาจะนำมาเล่าให้ฟงเมื่อกี้กับซีเบอร์เวลไปให้มันมากมายหลายเรื่องเพราะว่ามันต้องมีเรืลงเวลาถูกไหมการปฏิบัติเรื่องแรกนั่นก็ให้รู้เรื่องลุ่นามให้รู้จริงๆรู้ทุกขังอนิจจจรงจริงๆรู้สุคจริจริงๆรู้ศาสนาจริงๆรู้พุทธศาสนาจริงๆริู้บากรู้บุญจริงๆ ให้รู้จริงๆ ร, รู้โดยจแจ้งแจ้งแท้ๆอย่าเป็นรู้จำอย่าเปนรู้จักอันนี้รู้แจ้งรู้จริงนีเหมือนกับเ่าที่ออกจากเทมุสมาอยู่ที่แ้งเมื่อเ่าออกจากกขมโมมาอยู่ขมสลากนเมื่อเาออกจากบอนที่มันหนักมาอยู่บอลที่มันเบานี่ที่เราสนใจกันมาเป็นเรื่องสมมุติที่เราให้ฟัง คนรูปอันนี้เขาจะตื้อข่มรูปอันหนึ่งแตกะขึ้นมารูปไม่ถังสิ่งจบกันอันรูปแจ้งรูปจริงคือูเรื่องตัวเขารูปเรื่องรูปเรื่องนามรูปทำนามทำรูปโลกนามโลกพวกขังอันนี้อย่างนักตานี้รูปสมมุติสมมุติจะเป็นนอกตัวเขาไปแล้วสมมุติมันนอกตัวเขาคำสมมุติในตัวเขาจะมีอีกเพื่อนหนึ่ง แล้วการลูขจัศาสนาลูกพุทธศาสนาตัวศาสนาก็ใช่คือตัวเห่านี้ตัวพุทธศาสนาก็ใช่คือตัวสติตัวปัญญามารูน้นี้ตัวบาปนี่คือโง่นี่นนะะเ น, นี่ยคนบู้ออกจากมันคือบาปมือบุญคือยังบุญคือออาจากที่นี่มาอยู่ทีแ่แจ้งพอดูลูมาคนนี้แล้วมันหมดกลมลูอันนี้ลูอันนี้ลูของจริง นอกจากนั้นมันจะเกิดปัญญาสนิทนึ้รู้นอกเขาไปมันจะเกิดขูมใจขึ้นมาเรีนรู้แบบนั้นรู้แก้ทุกบุได้รู้ออกนอกตัวเขาเป็นคนรู้ของอวิชชาคําว่าอวิชชาไปว่าคนบรู้ว่าท่นแต่มันรู้มันรู้แล้แก้ทุกบุได้รู้เลวมันลืมไปอันนั้นเป็นเอิ้นว่าคนรู้ของอวิชชาวิชชาไปว่ารู้ว่ารู้แล้วมันบุหลงบุหลงรู้แลมันแก้ทุกได้ คนมีแบบมีสิแก้ทุกใดนึงที่บัลลลงไหว้ถีโบ่เสื้อลูกงานงามดีบหลลลงมุมงายให้ได้ไป ร, ร, รู้จักจริงๆรอันนี้เเขาสร้างโดดสร้างสิ่งสร้างบุตรยิ่หานมือว่าปวดหดนี่แหละพระพุทธเจ้ีในอื่นรู้รนนจักจริงจรแต่ว่าคนทุกแบบมีแก้ได้เคลื่อนความทรงใจอย่างแก้บุตได้ หรือพูดง่ายๆก็คือข่มโกดข่มโลกข่มโลกีแก้โบได้เถอะม่มโลกแบบนี้สำนักผมหรืออาตมาเองแก้โบได้ก็มาตอนมาเห็นข่มชิดผิดแก้ได้แบบนี้ออนต้ต น, น, น ต, อ, ตอของค่มโกดเกิดขึ้นเพราะเห่เห็นจิตเห็นใจเองนี้เมื่อคนออ่นมาพูดให้เข่าเกิดพอใจว่พอใจเนี่ยมันหลงมันเป็นทุกข์กันก็เลยมาว่ามื่อสีขาวกับเมื่อสีดำ เมื่อสีขาวนั่นเขาดีใจเมื่อสีดำเขาโกรธมันไม่มีความชีววิามัเลยมาหามารวมกันเส้นเขาทำบุญให้ฐานรักษาสิ่งทำกรรมฐานให้นั้นก็ตามละเอาเจ้าดีเท่าไหร่เมือดดีใจเหมือนเมื่อสีขาวอันนี้มามีผู้ใดผู่นู้มามาให้เจ้านีเกิดมันเฮ็ดบุดีเนาะเกิดเสียใจกันเหมือนเมื่อสีดำเลยบหมือนอันนี้มันแก้ทุกบททีบทใด บทนี้ต้อง ท, ำทำําทางจิตทางใจอันเนี้ยจิตใจมาเบ่งอันนี้มัาเบ่งอันนี้ตอนนี้มันอีกตุงเรื่องมันมีอยู่สลับักตอนเมื่อคนบูรพันเข้าใจที่มาเพ่งการเบ่งจิตเบ่งใจเพ่งเมื่อเพ่งขึ้นมามันจีนแม้ม น, น้าอกบนหนึ่งมันมาจีนมนตรีสาวบนหนึ่งเพ่งเข้าไปจริงๆแล้วมันจีนแม่นมุดอับในใจคืใใจอเลือดในใจหันเลือดนอกหัวใ จ, จกับวันนี้ เลื่อนหูออกมันขึ้นดำเข้ามาคุณคล้ายๆคุณมันจะเป็นตับเป็นก้อนเป็นมันแน่เจ็ดเข้ามาเขายไปหงางมากระทำซ้ำมาอยู่ซักเข้ามาอยู่ฮันโรดอันนี้มันเพ่งเกินไปเรื่ผิดเรื่นี้เรื่องกขางเต็นอาชีพทุกขางผู้อื่นก็ได้ตอนนึงเขาพยายามอยากให้มันหูโดยให้มันชิดแบบนี้มันเสียาขึ้นมาเลยอันนี้อาจีพทุกของผู้อื่นก็ได้อัตมาว่าผิดอพกว่าผิด คิดเพราะจังเลยมันเบิสบา่ามันมึนมสีส้าแสบหน้าแสบตาแสบแสแ บ, บแต่เมตุทิพย์หลายว่าแต่มันนอนมึนขมับมึนมัดอันนี้เป็นโลกดัางนั้นแพทย์กระทำฟั ง, งเรียนมาจนจบทางวิทยาศาสตร์เรื่องแพ้กลัวทางเนื้อนั่งโรคเจ็หบหัวปวดท้องนี่ไปเอายานําลงพยาบาลมาป่วยได้แท้เรื่องจิตใจนี่อุปโภไโบรต้องอาศัยคําสอนของ เพื่อ้รูนีก็รู้ลายยางนี่หีิรู้นี่รู้แล้วรับรองได้อย่างแม่นนี่ขันรู้รับรองบราด้บ ม, มานรู้จมาซื้ออันนั้นเดีม่เห็นแจ้งรู้จริงรู้จักขาจเจ้าเราแล้วจำมาเล่าอันโบมาณอันนี้ก็จีนแมงของคนหรือวผู้อืน่นคนมาคนรอบผมรู้ของวันีลวพอโบรมณจัะผู้นนออจักผู้จักแท้แทเอออิจาอันนี้เป็นอย่งพี่น้องจักสังเกตตัวเองได้ยงางพามาแล้ว เรื่องคนเป็นแบบนี้มีรู้จักอันนี้คนคนอนโมหลับมันเพือเป็นบ้าเป็นโลกประสามันคิดคิดอั น, นั้นมาติดคิดอันนี้มาต่อก็เลยมอนโมหลักเพื่อเป็นลกประสาเป็นบ้าสคนแต่อันนี้บ้าสโลกปะสาเป็นโลกประสาแบบนี้ท่นจะเอาอยามากินนอนนับไป้็นอนตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกเตืนอนนะลงมาโมดีเอาอยามแบบพระพุทธเจ้าจ่นอนเลยนี่มาเบื้งต้นต่อของคนคิดนี่มันคิดมาจากไหง คืออย่ง้มันขึ้นมาจากบันใดเห็นอันนี้บันเมื่อเห็นอันนี้แล้วอันนี้เป็นยาโลกประสามันจะคอยลดลงลดลงลดลงมันก็เลยที่เป็นตามปกติที่มันมีมาก่อนนั้นเป็นไงบ้ามันไม่เห็นจิตนี้ข่มโกดข่มโลกข่มลงกับลดน้อยไปผมจิดนั่นคือมันกับลดน้อยไปอันเนี้ยก้อนที่ลดน้อยก็ต้องมีงานปัญญาหรือปัญญาญาณนี้เข้าไปดู้เลยอย่าแม้แต่นึคิดเอาซื้อบริเ่ณ แต่ผูอ้อื่นที่เป็นขณบุหัวจักสำับผนเมื่อธ ร, ร ม, มาต้องละ อ, อาใสปัญญาญาด้วยญาณของปัญญามันคล้ายๆคือดาบหรือคืออย่างกระบุหัวจักละตักขาบเป็นตอนเป็นตอนเป็ล้วสนอย่างใดนะจ๊ะปัจจุบันนี้บรได้เล่าเรื่องเอาบาปเอาบุญไม่ได้เอาเมืองฟ้าเมืองส ว, สว <S <S รรค์รอย่าง <S <S นี้เราจะแก้ทุกข์ซื่อๆดีเลยเพราะพรเจ้าเป็นสอนเรื่องทุกข์นี่เขาก็ทําไปทําไป เป็นใมันถึงที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกข์มันยืดที่ไหลอะไรเงีเขาต้องนําไปจนมันถึงเมื่อถึงที่สุดของทุกข์แล้วก็จมาวาให้เพื่อนทิสุสมณีและพ่อแม่ที่นอ้องญาติหมดทุกคนเนะ่ะอยู่เนี่ยเ <c oughs> ขามันเกิดมาเป็นคนทคนหลดสัพเพสับตากับว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอัะเวลาจนเป็นจุดเป็นสุขเถอด ยาตัวนองหามุนังโมนีจงเป็นจุกเป็นจุกเถอะ่อยาเป็นคาเป็นเวรสำคัญในธรรมขอเราจะซื้ออันนี้เมื่อเรามาถึงตอนนี้กระยับเตือนเพื่อนพิสุสมณเณรและญาติโยมผู้มีอนุแก่คนอย่างพ่อกำมีอยู่เนี่ยเลียงสีลุ่นลาวข้าวเดียวกำมีเลี้ยสีลุ่นลูกลุ่นหนำกำมีรุ่นน้องกำมีกลับมาเบ่งจิตใจเอารู้เดียวนีเป็นเป็นอย่างเขานั่งอยูเดียวนีเนี่ยมันคิดอย่ง มัคิดอย่งอันนี้เป็นตัวธรรมชาติของชีวิตของแทนเดียวนี้นี่แะมันบคิดอย่างมันเคยเซมันไม่อยากได้อย่งมันเคย่ออย่างอันนี้เป็นต้นต่อของชีวิตตัวธรรมชาติมันในแตอันนี้คุณเอื้อคุณมีสิ่งมีทำสิ่งแต่ปกติสิ่งกจัดกิเอย่างาบสมาธิกาจัดกิเอย่างกลางปัญญากำจัดกิริอย่างละเอียดทคนก็เป็นมซื้ออยู่คนว่าผิดนีไปแล้ว่มีสิ่งแล้ ไม่สิห้าสิ่แปดสิ่งสิบสิ่งสองยี่ิบเจ็ดสิ่งสามเราบวได้วานี่สิ่งอันนี้นี่อันนี้เนยตัวปกติตัวนี้ผิดนี่ไปเราวก็มีสิ่รลบไเดียวไพศิวะตั้งดเนี่ยพอกับโบเสือบนเนี่ยเพราะว่าสิ่งนั้นแปลว่าปกติอยู่แล้วอันนั่หาว่าคิดวูบขึ้นมานะอาเร่ไม่โทสาก็ไม่โมหาก็ไม่โลภมันติเอาก็มาเราได้ผิดปกติเลยโดยต้องปักพักไปลวมกันที่มีสิ่ง ใู้จักมานี้บ่งหัจ ok. ักเหล่าดอกหูจักในน้อยพอได้มันคิดปุ๊บมาตัดปั๊บไปเลกเป็นปกติอยู่ตามเดิมเนี่ยก็จะู้จักหางคิดหรู้หัวจักซืี้ยเหาคือหัจักว่าโอ้แต่นั่งขมสงบนั้นมันเดเมีนเด้อังควขมสงบมันสงบจากโทสะโมหะโลภะซื่อซื่อมันอยู่ด้วยสติปัญญาซื่อซื่อมันกินเข้ากับเป็นนอนก็เป็นเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็เป็นหาเงินหาทองกับโอ้ มืนไม่สงบอันนี้ตือๆนี่เองนี้เหมืนเดินในทุกข์เหมือนเดินในสุขคนคันทํางานก็วนี้ทำงานเพื่อตัวเองหรือทางานเพื่อนู่นคันที่ว่าไปยังนู่นกับทางานเพื่อพระพุทธเจ้าเราตั้งเนวน่าพระพุทธเจ้าคือใครกันนีวคนผู้ใดเห็นจุดนี้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าคือกันตอนนี้กี่มาว่านิทานให้ฟังจุดแล้วไม่มีทานหรบกพอว่าให้ฟังจะไม่อย่างนา้อยไปนอนนานนําเพึนมันเล่าเล่าเป็นใชนไหมเบ้ คนเล่เต้นนี่มันรล่เต็นอย่างซันยูโบต่อจากเทือมันเล็กน้อยนอนกหลับไปเพือกเต้นมากันเลืกเทือกเาเล่าจากบุญจักแ้ลมันหล่เพื่อมกับจำได้เล่าพระเจนาพุทธเนียร์วันได้ผ่านไปแล้วห้าพันพรรษาห้าพันปีพาพุทธลูกที่เป็นผ้าไม้กระร้างพระทองกระตามพาแก้วภาพอิดพักอุพระกระตางด้วยในโลกอันนี้หละะเป็นวางกัน จะมีดวงจิตยิงานของพระบริจานั้นไปยืในพระพุทธรูปมันท่อมเมล็ดงาตะเพนลานเมื่อมาจะมาได้ห้าพันปีมันกินมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนพอเห็นแม่ไปกินกันลูกเห็นพ่อเห็นแม่ไปกินกันไม่เพลินลานเพราะมันโดนรู้จักแล้วมันมืดเด็ดๆฆ่ากันกุมตั้มกันตักกันจินกันไปกันมืดเจ็บวันเจ็ดคืน กาที่มีเทวดาองค์นึงไปบันดนเอพพุทธรูปนั่นมาเหาะมาเอาันเหาะมารวมกันอยู่สมตที่ซื่ออันนี้มาจําหรัดโมกขนี่แตกโป่งนูเดียวพระพุทธรูกนั้นท่ า, ท, าที่ทกแต่กระทำจ้างทาเกลี้จกล่อมจมีท่าพระมท่าใกระทาจ้างหลัให้เราท่าทางพุนั่นเนี่ยที่เาะมาพอดีมาหอดรับโดนแตกโงออกโลดเอาันเป็นว่า แล้วกระโดงจิตวิงานที่ไปเกาะอยู่พระพุทธรูปนี้คิดรวมตัวกันเข้าอีกเพิ่มมหนึ่งเป็นโตเจ้าสายทีรถะกุ ม, มารนะจำเนเป็นพระพุทธเจ้าได้บ้าเนี่ยแสดงทำอีกเจ็กยันเจ็ดคืนนะจำเป็นผู้ใดได้ไดปฟังธรรมข่าวนั้นผู้ที่มีปัญญาอย่างเข้มแข็งมีสติปัญญาเข้มแข็งได้เป็นพระอรหันต์ครับคนเราได้อนเอนี่ยพอวางสองนี้มันรู้จำ มันนี่ก็มีเป็นงานยังอ้อนก็ได้เป็นภาพอนาคามีมาเป็นภาพจากกีตาคาภาพโซดาเป็นมนุษย์เป็นคนให้มันได้ตามลําดับขั้นตอนมาอย่างสั้นอันนั้นพันเวาซื้อได้อันพระพุทธลูปเนื้อกะตัวเฮานี่แหละว่าเป็นพระพุทธลูปทุกคนนี่แหละเป็นพระพุทธรูกอะกุยิงกับเป็นพระพุทธลูกู้ซารจะเป็นพระพุทธรูปเจ้าหัวไอ้เกียรกับเป็นพระพุทธลูกนัดสุคนจนโอ้พอในแต่เราแมงดูแต่ว่าหักบุกเข้าใจ อันจิตใจของเฮานี่ยอันมันเป็นปกติยังซื้ออยู่เนี่ยมันมีทุกคนแล้วอันเนี้ยเนี่ยหนักกันหนาอันปกติทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคึนมาโก้ดขึ้นมาปุ๊บนึเหมือนยางแหลงที่สุดอันจิตใจเป็นปกติอันนี้เปนจะตเตะเอออย่าสูโก้ดหลายอย่าโก้ดหลายมืนที่ตายง่ายค้ายคล้ายคืายังๆคนเรื่องลูกตุ้มคนเบรกรถคนสมาะเกาะเรือไว้มันเหว่เครื่องจักรมันตายแล้วเอาสมองนี่เกาะลงมาที่เกาะอยู่อันโตอัน ปกติอันนี้มันปเป็นไปท่วงไหมันเขาเนี่ยคิดว่าสายไงเป็นไร ย, ย่างเง้ยด้านนี้คามันโลจใจแลบได้ของผู้อื่นมากว่ยจะสุดไปเอาของคนไหนเอาของคนคือเอาของเขาเอาของนคออองนคือเอาของเขามันคีดเป็นอย่างเัี้ยต่มันสมมติเราได้ี๋ยวนี้อันหลักตระนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนอันนี้เปนหลักพระพุทธเจ้าแต่ทำไมพระพุทธเจ้าได้เนี่ยหลักนที่มันจิตใจสะอาดสะอาสมุติเดียวนีนี่เนี มันเป็นปกติอย่างที่เป็นเอื่นเหมืนบทคุกมันบทสุขมันเอิ่นเหนือคุกเหนือสุกเหนือบ้าบเหนือบุญเหนือดีเหนือเสื่อตลวอย่างอย่างที่ซื้อนี่เหี่แล้วเขาที่ไปเอาสวรรค์ยุใส่ดิพานยุใสอันนี้เราคมจริงให้รับด้วยความจริงใจภาคปฏิบัติตอนที่มาลูเรื่องลูกน้องมันมาจิเป็นนิปัตโนตอนที่มาลูเรื่องคมคิดมันจิเป็นจินทะยามตอนที่มารููจุดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจิเป็นนิปรา ถ้าห้าคนบราเข้าใจอะไรบางอย่างฟึ่งออกไปแล้วกับทากลบไเดียวการปฏิบัติ ธ, ธรรมะแบบเอาสติมาดูจิต ด, ดูใจนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นทุกคนทําได้บ่ยุเรีนผู้หญิงผู้ชายทํำได้ทั้งนั้นจิตที่ทราบนาได้กระทำสร้างเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกากระทำสร้างคือทราสนาได้กระทำสร้างเพราะมันมีแล้วอันมี้คือว่า พอเมฆหนาอันดวงจิต ย, ยียางานของพ ร, ระพิฆเนยนั่นเองต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแด้แล้วก็ต้องอาศัยการเจริญปัญญาอีกตึนเทอหนึ่งอันมีที่ข่มหรืออัตมาได้มาเตืนอน ก, กันเรว่าญาติโยมมาหลายทิศหลายทางบางคนกน็ไม่อยากพอจะ ว, ว่าวจมน้อยเด็ดถอดก็จะว่าบางคนก็นเป็มยู่เป็นแน่นตกแน่งใจบุ้งหัจักปฏิบัติวิธีปฏิบัติทิชยังใดบอกเข้าใจเมื่อบอกเข้าใจนำไปปฏิบัติบ้บานหัมนมกุฏิทิศ คนผิดเงี้ยคือว่าเขาทำผิดแล้วเขาไปฟังเจ้าคูบาอาจามเนี่ยคูบาอาจามเล่าผิดเขาจำไปกรบผิดแล้วบแต่แต่แต่ไปปฏิบัติมันก็ผิดผิดมันก็ได้ทุกไปแล้วเหรอเพราะเราอาศัยการฟังถ้าคูบาอาจารย์เล่าถูกข์ไนี้เขาไปฟังไปเนี้เขาก็จำมาถูกไปปฏิบัติมันก็ระผิดแล้วมันถูกเลยนี่มันก็ระผิดแล้วมันเป็นอย่งนี้เลยเะนั้นจึงว่าการอาศัย ไปหันมานี่ฟังนันก็อาศัยการฟังอยาไปฟังเล่นๆฟังได้จำมันแก้ทุกบัวใดัดลองว่าลดถึงห้าพันปีเดกียวนี้เนี่ยได้สองพันสี่รอยสองพันห้าร้อยี่บสี่ปีนี่แล้วรับรองได้คำสอนของพระเจ้าว่วหายใสเในตำนาพุ่นสอนอะไรพุ่งจับอะไรไปสอนเนาะให้พุ่นเขียนไว้ยื่นในหลักสตรธรรมวิจารณ์ตนเอง มันมนากแปดสิบหรืหรเก้าสิบเฮอยก็กระจังโมเดลมาผู้ที่จะเล่สติปัฏฐาน4ี่มันให้ติดต่อกันเหมือนลุกโซ่ย่างนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดมันก็จะหนึ่ น, น, น, นึงถึงเจ็ดนึ้หรือสิบห้านึงมีอันนี้ ส, งสองประการเพินงว่า1นึ่งเป็นพระอาหารหันต์สองเป็นพระมาคาเมชเพียงว่าอันนั้นเป็นลาวาได้วิธีเฮียพ็